เป็นยังไงนาะนักเรียนตรเชษหนึ่งตลาดซบเสาไปเยอะแล้วนะพุ่งแล้วมันจอดหมดแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นบอกว่าเสียเสียํำนวนตรงๆบอกเสียความรู้สึกหมดเท่าไอพุ่งมากยิ่งหมดมาก เหรออ๋อเหรอสาธุขอให้ม um> ันดีอย่างนั้นเถอะ คุณเฉลิมมีบริเชษหนึ่งอะไรกับเขาไหม <c oughs> ไม่มีหหละ เนี่ยอากาศเปลี่ยนไปเยอะนะคนก็เริ่มป่วยกันอีกเยอะจากหนาวไปหาร้อนอีกแล้วร้อนมาหาฝนถ้า <c oughs> จากหนาวไปหาร้อนนี่ก็วีโรที่ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งไงตอนนี้เากำลังทำวีโรที่ปัจชัยที่จะทําให้อ่าร่างเนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งังนั้นอุณหภูมิในโลกนี้มันก็จากหนาวไปหาร้อนจากร้อนไปหาเย็นจากเย็นมาหาหนาวหาร้อนเนี่ยก็วนวนนเวียนอยู่นี่แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานปีดีดักเต็มทีละเมื่อเรามาเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยในลักษณะนี้เนี่ยเราจะทําหรือจะใช้ชีวิตอย่างไร นะจะให้มีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยนับว่า น, นั่นนะใครคิดว่าเยอะก็เยอะอนะแต่ขอมาดูถูกมันมากเลยว่ามันน้อยมากนั่นนะดูถูกเหยียดหยามมันเลยว่ามันเหลือน้อยเต็มทีมันเมื่อเราเห็นว่ามันน้อยอะไรที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์เลยจะเรีบขวนขวาจะเรียบทําในสิ่งนั้นนันถ้าหากว่า กิจกรรมใดที่เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนะคือที่สแสวงหากันก็ไม่ใช่ประโยชน์โลกนี้อยู่แล้วนะเฉพาะวิชาที่เปิดเรียนโดยมากตรงๆแล้วประโยชน์ไม่ได้เน้นประโยชน์โลกนี้นะเน้นประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะนะโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งนี่เป็นที่ให้ให้ความสําคัญให้ความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยนะนะคือประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่าคำสอนที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนั้นถ้าไม่มีคำสอนในพระศาสนาเราจะไม่เห็นช่องเห็นทางเลยว่าจ ะ, จะเข้าถึงประโยชน์เหล่านั้นได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นประโยชน์ทั่วๆไปถ้าพบกับบัณฑิตเนี่ยนะที่มีฤๅโอตปะมีกรรมสกตารู้ผลบุญผ ล, ผลบาปเขาก็แนะนำให้เราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ประพฤติประพฤติทุจริตทางกายและวาจา แล้วก็รักษากุศลแลจิตให้เกิดขึ้นระดับหนึ่งก็เพียงพอที่จะไปสู่สุคติได้แต่ว่าประโยชน์อย่างยิ่งถ้าไม่อาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชี้แนะชี้นำอบอกกล่าวเอาไว้เนี่ยก็คงหมดสิทธิ์เลยทีนี้การที่จะเข้าถึงประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์สูงสุดคือการรู้แจ้งพระธรรมคาสอนซึ่งประณีตและลึกซึ้งนั้นเนี่ยคง ใช้ความพยายามที่น้อยใช้เรี่ยวแรงที่น้อยใช้ความเพียรที่น้อยสละเวลาที่นิดหน่อยมันมันคงเป็นไปไม่ได้นะแม้กระทั่งวิชาที่มาประกอบอาชีพในโลกนี้เนี่ยนะอย่างเฉพาะแค่ชาตินี่นะที่เราเรียนขึ้นมาเพื่อจะประกอบอาชีพเนี่ยถามว่าเราสละเวลากันขนาดไหนที่ที่เรียนนะหรือถึงเราไม่สละก็มีคนอื่นเข้ามาสละให้พ่อแม่ก็สละให้บักลูกไปเรียนนะ ที่เหลือก็พ่อแม่ก็ส่งเสียเนี่ยนะพ่อก็พ่อแม่ก็สละยอมให้เราเนี่ยไปเรียนเพื่อที่จะได้มาประกอบอาชีพก็นับว่ามากเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าประโยชน์ที่เห็นเห็นกันอยู่ในชาตินี้แต่ประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะประโยชน์สูงสุดคือการตรัสรูม้มรรคผลนิพพานเนี่ยนะซึ่งเป็นเป็นประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะเป็นประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ถ้าหากว่าเราไม่ขวนขวายที่จะให้เข้าถึงประโยชน์นั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะโดยการเสียสละอย่างแท้จริงก็นับว่ายากยังชอบใจในทุติยะทศพลสูตรในสังยุตตนิกาย น, นิธานวักอยู่จนถึงทุกวันว่าการตรัสรู้ธรรมะที่เลิศเนี่ยนะด้วยธรรมะที่เลวเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะการตรัสรู้ธรรมะที่เลิศต้องด้วยด้วยข้อปฏิบตัติหรือด้วยธรรมะที่เลิศเหมือนกัน คำว่าธรรมะที่เลิศเนี่ยนะที่แรกเนี่ยว่าตรัสรู้ธรรมะที่เลิศหมายถึงการตรัสรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยนะเรียกว่าธรรมะที่เลิศเป็นธรรมะชั้นโลกุตระธรรมทีนี้ธรรมะที่จะทําให้ตรัสรู้โลกุตระธรรมเนี่ยจะตรัสรู้ด้วยธรรมะที่เลวไม่ได้เนี่ยนะคือมีศรัทธาเลวเนี่ยนะคำว่าศรัทธาเลวก็คือศรัทธานิ่งๆหน่อยๆหรือศรัทธาไม่พอที่จะ ไม่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าถึงโลกุตระธรรมเนี่ยนะศรัทธาอันนั้นก็ไม่พอหรือความเพียรที่เลวเนี่ยนะความเพียรที่เลวอ่ะคือวิริยะที่เลวคําว่าวิริยะที่เลวก็คือการเจริญกุศลที่ไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องไ ม, ไม่ไม่อุตสาหะทําแบบทอดทิ้งธุระทำแบบไม่สนใจห ร, บบนรหรือว่าทําแบบงานอเรกหรือว่าทําแบบเล่นๆ เ, เนี่ยนะทาแบบของว่างอ่ะนะมันไม่ใช่อันไม่ใช่ความเพียรลักษณะนั้น ทีนี้สติการระลึกหรือ ก, การทรงจําทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมีกําลังมากะนะส่วนสมาธินี่นะจิตใจก็ต้องมั่นคงทีนี้โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยความรอบรู้ในธรรมะโดยเฉพาะขันธ์อายตนะธาตุจะต้องเป็นเรียกว่าอีกชื่อนึงก็ใช้คําว่าคัมภีรปัญญาเนี่ยนะคัมภีระปัญญาคัมภีรปัญโยคัมภีระเนี่ยแปลว่าลึกซึ้งเนี่ยนะ ปัญญาก็คือความรู้ต่างๆเนี่ยนะรู้โดยประการต่างๆความรู้โดยประการต่างๆที่ลึกซึ้งหมายถึงความรอบรู้ในขันก็ต้องรู้ขันอย่างลึกซึ้งรู้จักอายตนะอย่างลึกซึ้งรู้จักธาตุรู้จักอินทรีย์รู้จักปัจจัยรู้จักปฏิจจสมุปบาทรู้จักอริยสัจเนี่ยที่ลึกซึ้งจึงจะก่อให้เกิดการตรัสรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งคือมรคอโลกุตระรมได้ แต่ถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ลึกซึ้งเพียงพอก็นับว่ามันห่างมากมนะนะห่างมากมทีนี้ถ้าหากก่างก็ถ้าจะเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับว่าเดินเท้าเปล่าแล้วก็เดินแบบไม่ตั้งใจเดินไม่สนใจคิดจะเดินทางก็กลเนี่ยนะเดินเท้าเปล่าจะไปกรุงเทพเนี่ยนะก็ถือว่ากรุงเทพเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ว่า ง, งั้นเถอะ แหมอยากไปบ้างเขาว่าเมืองนี้ดีเราก็เลยไป น, นะรองเท้าก็ไม่ใส่สเสบียงทางก่อใหม่มีเดินก็นทําเล่นๆ เ, เนี่ยนะก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยนะก็คิดว่าคืออาจจะถึงนะแต่ว่าไม่รู้ถึงในพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่ทราบเพราะว่าหนึ่งนะถ้าเราไม่เป็นพระประเจ ก, กับพะพุทธเจ้าเองเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมที่จะถึงโดยลําพังไม่ได้อย่างที่สองเนี่ยนะก็ต้องรอเป็นพุทธสาวก ทีนี้เมื่อรอเป็นพระพุทธสาวกต้องรอให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกซะก่อนเนี่ยรอให้มีผู้บำเพ็ญบุญตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ก็อาศัยใบบุญของท่านนะนะอาศัยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เราเนี่ยนะจากอุปนิสัยที่สะสมไว้ก็เพื่อที่จะได้ตรัสรู้ในช่วงนั้นได้บ้างอันนี้นี่กล่าวถึงว่าผู้ที่มาพบคําสอนแล้วก็ยัง คำนวณว่าก็ยังเออเนะี่ยเยๆช้ชาๆไปวันๆหนึ่งอ่ะเนะก็นับว่าน่าเห็นใจเป็นอย่างมาก <c oughs> แต่ก็คิดอีกในหนึ่งว่าเออคนที่เขาไม่ค่อยขวนขวายเนี่ยนะหรือว่าขวนขวายที่หมายถึงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มองเป็นกิจจสาระเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าก็น่าแปลกใจมากอ่ะนะหรือคิดอีกในหนึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งดูโกกาลิกะสูตรมาซ้ำเนี่ยนะ ในสังยุตคุถกานิการสุตตานิบาตโกาการิคสูตรนี่มีอยู่หลายคัมภีร์นะมีทั้งในทศกานิบาตอังคุตก็มีนะในสุตตานิบาตก็มีแต่ว่าไปในสุตตานิบาตเนี่ยชอบใจนีนะคือที่ชอบใจเนี่ยเนื้อหามันคล้ายๆกับเทวทูตสูตรดินีะเนื้อหาคล้ายๆกับเทวทูตสูตรคือหมายความว่าแสดงถึงรกรกเนี่ยเป็น เป็นล่ำเป็นสันอะไรเงี้นเถอะพูดพูดเยอะอะันนะัแล้วก็ในอัตกะฐาสูตรนี้พูดถึงว่าแผ่นดินเนี่ยมันหนาสองแสนสี่มืนโยนี่นะที่แล้วก็มีส่วนหนึ่งอะ่ะคือนรกด้วยเนี่ยนะซึ่งในทางโลกก็พูดว่าไอ้ข้างในแกนของของโลกมันก็คือความร้อนทั้งนั้นใช่ไหมแต่คัมภีร์ของเราเนี่ยมีหลายแห่งก็บอกว่า น, นั่นแหะคือส่วนหนึ่งของนรกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตาธรรมดาไปมองมันคงไม่เห็นอยู่แล้ว แต่ถ้าใครไปปฏิสนธิแถวๆนั้นก็ก็เจริญการุณาไม่มากๆแทะไม่ไม่ผิดหวังแน่เนี่ยนะว่าเรานั่นแหละเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าชีวิตในวัฏฏะเนี่ยนะชีวิตในการเป็นไปในสังสารวัฏมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆมันเหมือนกับการเห็นเนี่ยนะการเห็นก็ใครลืมตาก็นั้นเห็นการได้ยินใครมนสิการคนนั้นก็ได้ยิน ใครรู้รสเนี่ยนะใครดื่มคนนั้นก็รู้รสใครอิ่มใครรับประทานคนนั้นก็อิ่มนะใครร้อนใครเย็นใครหนาวใครหิวกระหายใครรู้สึกนึกคิดสิ่งเหล่านี้เป็นของเฉพาะตัวทั้งนั้นเลยบุญบาปทั้งหลายก็เป็นของเฉพาะตัวเมื่อเป็นของเฉพาะตัวเนี่ยนะเราขวนขวายประโยชน์ตนเนี่ยขนาดไหนดังนั้นผู้ที่ขวนขวายประโยชน์ตนเนี่ยนะด้วยความไม่ประมาท ก, ก็ควรอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่ควรขวัขวายประโยชน์ตนด้วยควรขวัขวายประโยชน์ผู้อื่นด้วยด้วยความไม่ประมาทก็ควรแก่การอนุโมทนาอย่างยิ่งแต่ผู้ที่ประโยชน์ตนก็ไม่เอาทำลายประโยชน์ของผู้อื่นก็ขอกรุณาด้วยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนยะนี่การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างอภิธรรมทสังกะหะ ที่เรากำลังเรียนตอนนี้ก็คือเรียนประชดหนึ่งเนี่ยนะซึ่งประชดหนึ่งเหล่านี้ถ้าจะว่าให้ตรงก็คือเรียนขันแต่ขึ้นต้นด้วยวิญญาณขันเนี่ยนะก็เป็นการเรียนเรื่องขันห้าอีกวิธีหนึ่งแต่ขึ้นต้นด้วยวิญญาณขันซึ่งวิญญาณขันตามอภิธรรมมสังกะหะก็จะมาแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยนะกลุ่มอากุศลเนี่ยนะเรียกว่าอากุศลจิตอย่างหนึ่งคาว่าอากุศลจิตก็คือจิตที่มีโทษ แล้วก็มีเป็นทุกข์คือให้วิบากเป็นทุกข์ต่อไปอันนี้อย่างหนึ่งกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มอเหตุกอเหตุตุกขเนี่ยนะอเหตุแปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุหกประกอบเลยเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่มีรากแล้วก็กลุ่มที่สามก็เรียกว่ากามาวจรโจัโสภณจิตโสภณจิตนั้น เป็นจิตที่มีโสพนะเจตสิกเป็นประกอบด้วยเกิดร่วมด้วยทีนี้เจตสิกขอพายจิตทั้งหมดเนี่ยนะอกุศลจิตสิอาเหตุกาจิตสิกามาวจรโสพนะจิต24่นี่รวมเรียกว่ากามาวจรจิตเนี่ยนะคำว่ากามาวจรจิตก็คือจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามานะกามาภูมิม า, มาวจรภูมิเนี่ยนะโดยมากอยงนั้นเถอะ ในครั้งที่แล้วหรือที่ผ่านๆมาก็อธิบายอากุศลจิตเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมานะนี่วันนี้ก็จะมาขึ้นอากุศลอกุศลจิตบ้างนะอ่าเฮตุกจิตนะเนี่ก็จะขึ้นอาเฮตุกจิตก่อนนะ ก่อนที่จะกล่าวโดยคำพีเนี่ยนะก็จะพูดโดยอาเหตุตุกจิตโดยสรุปก่อนนะนะั่คำว่าอาเหตุตุกจิตเนี่ยนะ แปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุ6กประกอบเลยหรือว่าในจิตดวงนั้นเนี่ยไม่มีโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกอโลภะอโทสะและอะโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยจิตชนิดนี้เรียกว่าอาหตตกจิตเนี่ยนะทีนี้อหตตกจิตนี้ก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มคืออะกุศลวิบากจิตเจ็ดเนี่ยนะอหตุกะ กุศลวิบากจิตอีก8แล้วก็อหตุกะกิริยาอีก3เนี่ยอากุศลวิบากจิต7นี้ก็เรียกนับตามทวารอ่ะนะถ้าอากุศลวิบากที่เกิดทางจากขุทวารเรียกว่าจากขุวิญญาณเนี่ยถ้าเกิดทางโสตทวารเรียกว่า โสตวิญญาณถ้าเกิดทางคานทวานเรียกว่าคานวิญญาณถ้าเกิดทางชิวหาทวานเรียกว่าชิวหาวิญญาณถ้าเกิดทางกายทวานเรียกว่ากายะวิญญาณส่วนจิตที่รับอารมณ์ต่อจากนี้เรียกว่าสัมปติชนะจิตเนไหมจิตที่รับอารมณ์ต่อจากสัมปติชนะจิตเรียกว่า สันตีรณจิตเนี่ยนะก็คือไข้ครวนอารมณ์ที่รับต่อจากสัมปติชนะจิตส่วนสัมปติชนะจิตก็เป็นจิตที่รับอารมณ์ต่อจากปัญจวิญญาณคือทั้งจักขุโศตะคานาะชิวหากายวิญญาณนี่ยน ะ, ะส่วนที่ทําความเข้าใจพิเศษอีกนิดหนึ่งว่าจิตหดวงคือจักขูวิญญาณโศตวิญญาณคาณนะวิญญาณชิวหาวิญญาณเกิดร่วมกับ อุเบกขาเวทนาส่วนกายวิญญาณอันนี้เป็นทุกขเวทนาเนี่ยนะกอร่วมกับทุกขเวทนาอย่างเดียวเพราะว่านี้เป็นอกุศลวิบากทั้งเจดวงเนี่ยนะส่วนอาเหตุกักุศลวิบากแปดอาเหตุกะหมายถึงว่าไม่ประกอบด้วยเหตุหกเหมือนกันแต่ว่าเป็นกุศลวิบาก คือว่าเป็นผลของกุศลวิบากเนี่ยแปลว่าผลผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุหกมีทั้งหมดอยู่8ดชนิดด้วยกันก็ตามทวารอีกนั่นแหละเกิดทางจักขุที่เป็นผลบุญ่ะนะก็เรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าเกิดทางจักขุทวารถ้าเกิดทางโสตะทวารเรียกว่าโสตะวิญญาณถ้าเกิดร่วมกับคานะ ถ้าอาศัยคานทะวารเกิดเรียกว่าคานวิญญาณถ้าอาศัยชิวหาทะวานเกิดเรียกว่าชิวหาวิญญาณถ้าอาศัยกายทวารเกิดเรียกว่ากายวิญญาณจิตที่รับอารมณ์ต่อจากกายจากวิญญาณทั้ง5นี้เรียกว่าสัมปติชนะจิตจิตที่รับอารมณ์หรือพิจารณาอารมณ์เนี 5. 5่ยนะ สัมปติชนะโดยทั่วไปแปลว่ารับรับต่อจิตที่รับอารมณ์หรือคร้ครวนอารมณ์ต่อจากสัมปติชนะจิตเรียกว่าสันติรณะ